โดยไม่จำเพาะเจาะจงว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่มัวฆะบุรุษบางคนในธรรมวินัยนี้มีความไม่รู้ตกอยู่ในอวิชชาใจมีความทะยานอยากเป็นหลักเขาสำคัญคำสั่งสอนของเราด้วยความสะเพร่าแล้วคิดว่าจำเริญนหลักเท่าที่เราว่ามานี้เป็นอันว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตา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 ที่จะเล็งเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเร า, น, น, เรานั่นอัตตาของเราเหล่าภิกษุตอบไม่ควรเลยพระเจ้าค่าพระศาสดาตรัสต่อไปว่าพวกเธอจะสําคัญความข้อนั้นเป็นชไหนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงเหล่าภิกษุตอบไม่เที่ยงพระเจ้าค่าพระศาสดา ก, ก็สิ่งใดไม่เที่ยง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 ไม่ใช่อัตตาของเราหมายเหตุ head, สำหรับเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็ตรัสโดยเนื้อความเดียวกันนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยาสาวกผู้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปแม้ในเวทนาแม้ในสัญญาแม้ในสังขารแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัด